อันตรปยานว่าด้วยการละข้อความในระหว่างกติปุจชาวาระวาระว่าด้วยการถามว่ามีเท่าไหร่7 1ถามอาบัตมีเท่าไหร่กองอาบัตมีเท่าไหร่วิณีตะวัตถุมีเท่าไหร่ความไม่เคารพมีเท่าไหร่ ความเคารพมีเท่าไรวินีตาวัตถุมีเท่าไรวิบัติมีเท่าไรสมุดฐานแห่งอาบัติมีเท่าไรมูลแห่งวิวาทะมีเท่าไรมูลแห่งการโจทย์มีเท่าไรสารานิยธรรมทมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันมีเท่าไรสังฆเพทะ เรื่องทําความแตกร้าวมีเท่าไหร่อธิกรมีเท่าไหรสมถะมีเท่าไหรตอบอาบัตมีหกองอาบัตมีหวินีตวัตถุมีหอาบัตมี7กองอาบัตมี7วินีตวัตถุมี7ความไม่เคารพมีหความเคารพมีห วิณีตวัตถุมีหกวิบัติมีสี่สมุดฐานแห่งอาบัติมีหกมูลแห่งวิวาทะมีหกมูลแห่งการโจ์มีหกสารานิยธรรมมีหกสังคเพศมีสิบแปดอธิกรณ์มีสี่สมถะมีเจ็ด